รับต่อจากนี้ไปเป็นพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจารย์ดกกันตีเจดมีจิวามหาปนตมรายานโมตสะพะกาวโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กาจันโตโพโซปาราตวจัตตัสาัจโตังอิสัมติสวนตังภาราตโจสมโมติสินาสหลามดาบธรรมวเตสนาจักกล่าวถึงพรามภูปาลบาไปอันเตียวลัดป่าใหญ่ดงดาน ตามดังพลานเจ ต, ตาบุรจีบอกมันก็เตียวตามขอหินผาก่อไปรอดสาลาตันเจ้ามุนบ่สาวาจุตาราีมันก็มีใจยินดีจืนเยา้าวก็รีบฟังเฝ้าไปสู่ในตีอยู่ซาลา แล้วย่อมือสากมเก่าไว้ส่งตันเจ้าราศีก็ไขวาตีโอกาสเป็นบทบาทกาถาว่ากัจจินุพ้นตอกุศลังกัจจีพ้นต่ออานามายกัจจีอุญเยนะญาเปทะกัจจีมูลาภาลากัจจีดังสาจามาทัสสา อาปาเมวาสิริงสาปวาวเนวารามิกาคิเนกจิสิงสาณาปิตจิตตาปะะสดังนี้เป็นต้น <c oughs> ว่าขาแดพระติวัยระสีอยู่ดงรีเถื่อนทองมีตุกป่าตองสันไดฝูงโรคกาไผ่ ญ, ญาติบ่มาต้องปาดกาญา สัตดงนาปหญัยบ่มาไกเปี่ยนขี้หาเลี่ยงอินทีบ่อยากจุ่มหัวจักและหัวมันยังพอชันต่างเขาจรือต่อปะโสอาเหมือนนั่นเจ้าจุดตะราีได้ฟังว่าที่พรามเท่ากันจักตอบเล่าขีญยา ก็กล่าวเป็นคาถาว่ากุสาลันเจวเมพระเมดังนี้ว่าดูราตันรามเราอยู่ดงรามทองเถื่อนมีแต่สัตว์เป็นเปือนสะสน บ่มีกังวลจองห้อยอยู่จื่นจ้อยเจยบอนโรกาหาันพยาตบ่มาต้องปาดการญาสัตดงนาน้ยไ่คือเสือคงตไตแปรดอยกอมาราวังก้อยอยู่เฝ้าจ้งางปู้เท้าตัวหลวงมีหมูปันปวงบ่ไรมักมาไก่เตี้ยไก่วอกกางลายเป็นหมูมักมาสู่เป็นเต่อมันมาไฟเอื้อยินดี เอาดําพึงอันมีรสหวานมาถายตานน้อมไบแล้วลวดเข้าป่าไม้หายไปแลยนะพรำเฮยป่าหูนิวัดสาโปกานิดูงกราตันพรำเราอยู่ดงรำป่ากว้างเพืืออยู่สร้างปารมี นับวันเดือนปีเบิรนนานเราได้สุขเจบ้านยิ่งหววบ่อเจ็บปวดกาญจาุมพาลาแลลุกไม่ก็ยังหาได้พอฉันพรามได้ไผ่พันมาสู่ยังตีอยู่ดงรีพรามมาดีโดยจบเรานี้ขอบใจพรามตันดันดงรามป่าไม้มารอดได้ตนเดียว เ <i> จิญตันเต uh uh ียวไปสู่ยังตีอยู่รองน้ำเพื่อจจำราพัมกะญาแล้วมานั่งอยู่ศาลาแก้วกูก้อยฟูจากันแดดเตอตอนดูกานีปิญาลานีดูการาตันพรามมากับท้องสุขงามสมฝาตั้งมาขาสมสอยตอง หมากสังดอยและม่วงไข่ลูกบอ่อใหญ่สมกำพ่อหมากม่วงกะสอรถเราตั้งหมากเมากินแรงมีปลาฮือใจดีจืนจ้อยหวานดังอ้อยและน้ำตาลเมืองเจิญตันเพิ่มพรำมะมาเริงเอากินเต้ เอตั้มปีป่านียังสิตั้งดูราตันพรามนำอันนี้ใส่ก็มาใส่เย็นก็มาเย็นจะจิว้วอันเราหากไปตักติวเอามาแต่ข้างหินผาดอยปูน้ำออกเป็นรูกว้างใหญ่พิวาตาันมักไฟไขรกินก็จุงดูดกินตามใจเตอพรามเฮ เมื่อนั่นจูจากาัพรามผู้บ่องงามปุ่มลำขี้ปังมันก็เกาอ่างเฮือตันยินดีวาดูราภาราสีเฮยอันว่าเครื่องปูจาแข่แกอออันต่านเจ้าหากแจกแล้วเป็นต่านแก่ข้าคนผ่านผู้เท่าก็ขอกรมเก่ารับเอาแล้วยังเครื่องแข่แกวปูจาว่าแต่ข้านี่นะอยู่แดนไก่ก็อดสาใจไ ต, ตเตา ย้ <c oughs> อนไขหันดาเจ้าผู้ทอนชื่อเบสันดอนบนกวางลูกพระเจ้าจางสนใจอันเจ้าเมืองขับใสเกียนจากคฮือต้ารากเสียเมืองมาพี่และวา่าตันนี่นาะยังจะรู้ถึงตีอยู่แห่งพญาเจ้าขออินดูพรามเทาอันเขามหาขอไขาจากเกาจี้เฮือรู้ตีตั้งไปแดดเตอ ที่นาณาจุตาราสีกันจักจากคำดีบอกเล่าแก่พรามเทาปุ่มลามก็จากคำงามโอกาสเป็นถอยบาทคาถาวานเตภาวังเอหิปุญยัตังพระเม ว่าโดการตันพล้ำผู้เทามาจ่าว่าใครหันนาเจ้าเวสันตาราเจ้าขญโจรนาอันใดอันบ่เป็นไปด้วยจอบบ่ผรากอบด้วยบุญและกุล เจ้าวังหันขุนนอเนาดังเรานี่เล่ารำเพิงใจว่าร้อยใครใดสลีวันไวมัดทีราสินี่ผู้มีกองวัดใดปฏิบัติเลิศแล้วหรือบอันก็นอแก้วสองสลีคือเจ้าจารีหยอดซอยกับนางอ่อนน้อยกันหาเอาไปเป็นตาสาขาใจเอาไปไว้ปำเรินตนพรามได้แล้วนะ โดกระราพรามเทาอันว่าพญาเวสันตารานั่นเล่าเป็นนอเอาบุญเรื่องตันครับนีเสียเมืองเจียนจากเพราะกรรมบิบากตันหากมีก็อมาบวชเป็นจียอยู่ยังปากก่อเตาสะแวงหาลุกไหม เพราะจะตาตกต่ำใ้ลงมาอันว่าสับปะผงกะบ่มีสักสิ่งจ้างมามิ่งหัวควายข้านยิ่งใจใหญ่น้อยแวนสอดก้อยทำมรงว่าโตทรงลงนุงยองตกปะต้องปูนผ่านสุดแต่เข้าสารก็หาบา่ได้นุงพาเปลือกไม่บ่มีสั่งและนะพรมเฮย เมื่อนั่นโจจากาพรามเทาจากกักกาวไหลเจ้าราสีเพื่อบอกให้ตันเครื่องขี้ไม่มาด ก, ก็กล่าวโอกาสเป็นคาถาว่าอกก้กทารู้ปหังพ้นโตนะหังยาจีมุมากะโตดังนี้ ว่าคาแดเจ้าราสีตนวิเศษตัญญาได้เกียดโกธาคาดันดงนาป่าไม้มาแต่ไทยเดิมที่บอใจเจตานามีจักมาข อ, อยังสองสอบโนา น, า, นาขอคาเต้าคานิ้งเล่าอยู่ในใจว่าไขาหันนาเจ้าผิวใสบุญกว้างอันปั่มเป่งสร้างป่ารมีทาเป็นดังกรรมแต่ไทยจากาวไวสอนปัน ว่าการอันใดหันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลอันระเสดปปาือเกิดเจยบ้านคาดันดงดานแต่เต่าย้อนไขหันนาเจ้าธรงธรรม <c oughs> อันเจ้าเมืองจำหนี่ผาคือละจากเสียเมืองว่าแต่เจ้าสินเรื่องอยังจกรู้ตีเต้าเจ้าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกจี้ได้รู้ตีหนนตาง ลาดดงขวางด่านดาวไปหาตอนเต่า ท, ท้ารงธรรมนั่นเดืดเ อ, อสาตาสาวะจะดังสุดต้าส่วนว่าเจ้าระศีภูมิศินงามกันได้ยินยังพรามเก่าแก่ <c oughs> ก็ใส่ใจว่ามีแต่สัดจังก่อเจหยังพรำเทากันจักบอกเล่าหือเทาปู่ก่อฮือพรำยังอยู่เ้านอนที่กลางดงดอนป่าเส้ากันรอดรุ่งเจ้าขวายมาตาประสาหยอดซอยก่อป่าพรำถอยไปสู่ตีคังแก้วกูสาลาแล้วยกมือขวาสุดศอกชีแจงบอกตั้งเตียว ว่าดูราพระมึงผู้เดียวบ่มีเพื่อนเดินด้านเพื่อน พ, นพระนภัยเนี่ยว่ามึงจักไปตายในป่าย้อนบ่มีคนล่ามาหันย้อนเป็นดงตันหรือห้วยเหวลิงจ้อยพาจา มึงไปตามมักกะหนต่างนี่ใจใจลัดปาด่าไมดงรีเศร้าวันมีอันใดก่อจากไปรอดไข่บ่จ้าตีลูกพระเจ้าฝ่าสนใจถือสินใสยั่งจอดบอ่ละตอดภาวนและนาพรมเฮย <c oughs> ที่นั่นเจ้าหาจุดตารสีจากวันนานถึงดงรีป่าไม้คือแก่ตันไทยพระ ม, มนะกกาก็กล่าวกาถาว่าสัมปันาณสน า, นานเอสะเซโลพรมเม ป้าป้าตอกันธามะทโานโนพระเมดูกระราพรำเทาส่วนว่าพญาเบสันตาราชาก็ทารงเกตเกาบทเป็นราสีมือถือคอกันรีก็เกี่ยวลุกไม่ ผมขอดเก้าไว้เป็นจ้าดาวหนังเสือมาเจือตังสาดใบไม่ลวาดรองนอนแล้วย่อผ้าหนมกอนใส่เก้าทุกคำเจ้าไว้เปลวไฟท่านก็มาใส่ใจเป็นดังพระปจเจ้าเจ้าอยู่กับลูกเต้าและเมียตนอยู่ไลสนหิ ม, มเวตีดาวเขตแดนดินอันดอยนั้นเป็นหินตั้งแต่งมีรถหอมอบทะลุไปจู่แห่งดงนา ในที่สาตั้งเก่าหอมตัวเต้ารอดไปบนเพิงและผู้บินสะสนอโอ๊ดโดยนั่นสูงโยดเดือตาเจอกันถ้ามาตันนาปูนพอหินภาอกองกันพระใจวันจื่อจอย แม่นมีตูกใหญ่น้อยก็หายไปเอเตนิลาปฏิสันตินานาดูการาตันพลาไม่ดงรามมีหลายแหล่ตั้งต้นแพ่ไวเขียวมีกิ่งก้านหิวอ่อนกอมก้อยแก่งน้อมไปมาพองมีดอกและลูกนานาหลายอย่างมีพุ่มใหญ่กว้างเพียงกันยามลมปัดพันแรงเร่าดังตัวเต้าดงรี <c oughs> ดังเสียงนนทีเปียยปาดอันเกิดในส่วนนันตะาวาัดวิญญาณในสถานแห่งห้องแดนเขตต้องเมืองสวรรค์ น, นั้นแลนารูกขานี่อันว่าตนไม่มีลายแหลกคือไม่ถ้าแบกแก้วใบาบางไม่หูกว่างยอดซ้องไม่หมากดองมากดะไม่ขำคว้าขำปมหน่วยอมล่มกมงาม ตอนพามบอถามก็หากจะกรู้มากลืมจู้จ้างกินเมาไม่มาเยาใบมนมันจังหล่นเหลือหลายสักเขียนย้ายเต็มป่าไม่มาคาลำปวงไม่ย่างหลวงสูงปนเปื่อนมีกิ่งกันเดือนสาขายญาปลอมปัดไปมาเนี่หนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่ม เมือนดังใจหนุ่มเนาก้มโดดกินเหล้าพร้อมกันสั้นทีเดียวนั้นเลยนะโอ้ปรีตุมังปรีญยาเยีดดูการะตันพรามนกในดงรามมีหลายอย่างคือเอียงดังและกาแกตั้งนกแลและโฟระโดกนกะโตกและนกกะรุม <c oughs> อยู่เป็นจุมเป็นหมู่จับไม่อยู่กู้สาขากินยังผ้าลาและดวงดอกปีเขคางขอกหิมมาปานในดงดานมีตุกเตตร้องตามเป็ดแห่งภาษานกปาตามันร้องเสียงดังกองดงไพรว่าไปกัดไปไปกา ด, กาดร้องบ่ขาดปูนดีและเมานกทวาวร้องย้มคำดึกจะร่ำยม้มเรานอน บินมาหาก่อสะสู่ตีปิกอยู่เนืองนั้นพ่องก็ขันพ่องกอร้องเสียงสนั่นกองดงไพรพ่องกอบินไปเป็นหมู่ไปจับไม่อยู่กูสาขาตมามภาษาเรียกร้องตัวผู้ทองตัวเมียดังดันเสียเสียงสว่างเหมือนคนจางเล่นขับระบำดังเสียงปิน้นคำแห่งติบเติดมีเสียงเป็ดเสียงกลมป้าใจอาภิรมกลมเกียง มวนเพราะเสียงปิวปูนดีลำเฮาหากผากกดแก่หูเราหมากนักและาพามเฮยส่วนว่ากิ่งไม่ตั้งหลนันนาอันลมหากปัดไม่มาตามวิสัยกอกดแกงไกอ่อนก้อมอวนอ่อนน้อมไปมาดังจักจาเรียกร้องปูนดังจักจ่องใจเราเรียกร้องเอาคนมาใหม่คนอยู่เก่าก็บอกให้หนายนี ย่อมหฮือใจยินดีตกเมื่อยะถาเบสันตารราจาอันว่าพญาเบสันตระใดสละออกบวชถือผ้านวดเป็นระสีอยู่ในกิริปากวางอดอยู่ซางโปที่สมปานทัานอยู่สถานตีใดทัานจุงไปตีนั่นที่แห่งหันปุนเตะพระเฮย กาเลวิมาลาจาปบเตสุดูการตันพรามส่วนอันบาดุงรามคงเขตทองพาเตดแดนดินในสายสินเตต้องปุกวรเป็นตีปองลรเมาเอาใจโธมทองไปด้วยดอกมีตุกขอกดาราดาษเหมือนผ้าข่าวลัทธปกดินผูพึ่งบินตอมขึ้นเก้าหอมรถเราเอาใจย้ายส่งปางคางตางไปมีจุกรรม เงอนดังเอานำไปผ้าภายผงทุลีตั้งหลายคือว่าฝุ่นบ่มีมุกมุนอันใดพอดูใสสะอาดอันบ่มีมนุษย์าตอาปัดวีหากหมดใส ด, ดีเรียบร้อยผงทุลีย่อยบ่มีมาเหตตินั่นนะเป็นติจุม่มมีเงารมพอดีบ่ยาวรีบ่สูงบ่ต่าบ่สั้นพั่มอกําปอ เงือนวันหาแววคอแห่งนกยุงคำบ่เขียวบ่ดำสิ้วแสอยามเมื่อแสงแดดตีตองในแห่งห้องเดือนสามมีวันน่างามดังคำย่อมก็ภาคกตเป็นบอนงามดี ดังสำลีเดือนหาอันหนิงหนุ่ม้าหากดีด้วยกองไม้อันตีใดร้อยขาปันตีลวงสูงยาวรีปอพ้ามานบาดใดสีนิ้วมือปานใจไฟเต็มป่าใหญ่ตีนั้นแลยนา้าอาถาดีโจมากานิดถาดาดูกระตันรามอันว่าไม่ด้องรามมีหลายหลากมีดอกและลูกหากรกนา้า เต็มสาขาทุกกิ่งเหมือนดังโลกไม่มิงเมืองสวรรค์แม่นวาเราจักฉันก็บริยากโลกไม่อันนั่นหากเป็นซอยหอยลงตามใจผู้พระทรงอันยากกันไปถึงตีนั่นก็หากจักได้กิน เดินตามดินมีลายซำต้นบ่อสูงต่ำออกำปอเราบ่อได้เอาขอก็จ่องเอาซองมือนองบิดเอาใส่ป๊เปาผาตอย เจ้าเก่าเมื่อตอนลูกน้อยก็ตามใจตามวิสัยแห่งคนแอวป่าเสาะสอดลาดงรามดูการตันพรมผู้เท่าในป่าเศรดงรีลูกไม่มีลายหลากตามใจหากจักกิน พ่องหลนลงดินลายแลสุกดิบแกส่วนกันคือหมากดันหมากหาดสมแกมฟาดปูนจู่หมากจุ่มปูสุกกรรมหมากเวียนพัมซุกดำหมากวงคำสุกแหมปันดังแกมสาวจีหมากโจกสุกดีห้อยน่อย หมากหนุนหอยเป็นป้วงกันแก่ห่วงกันสุกแก่ห่วงหนามากเด็กน้อยหากใจหุ่มย่อมมาตูมตอมเอาแก่นได้แล้วก็แล่นเลื้อยหนีมาควิดมีลูกใหญ่ตามมักไฟแหงใจเรา แหมนเจ้าก้ากินก็บ่เสียงมีตั้งหมากเกียงและหมกากไฟทับทิมไทยคือหมากก้อมากกล้วยห อ, อกินหวานมีตั้งน้วยตาลและหมากกลานหมากเป้ากันแก่เฮาก็หล่นลงดินตั้งหมากปินและกล้วยเตจกล้วยวิเศษลูกล็อกนาเราบ่อดได้หาซอไซมันหาเกิดไว้ตามมกกาจุมพาลาหากมีตุกเมื่อย่่มเป็นเชื้อปันปวง มากเกลือหลวงแหล่เดือเกียงมีพร้อมเสียงตุ๊กกินข่าตั้งแต่งาถึงดินตามเราจะกินแลยนะพรำเฮ่ <c oughs> ต่อเจ้าวีดูเรโบคารณีตีนั้นยังมีสระสะลีคือโบคารณีอันงาม ส, สว่งเห็ดมีดอกไม้ต่างๆจดจำ เหมือนดังวิสุ ก, กรรมลงมาแต่งมีสีแจงสะเมื่อกันฟูงคนเราเล่งหันย้อนปูนพอดอกไม้เป็นจอมีลายขานาดบ่อได้ขาดสักระดูพ่องก่อหล่นฟูเนือนำพ่องก่อซ้ำบ้านแถมพ่องก่อออกแซมหนุ่มแก่มีลายแผลจะจนดอกนินเล่าบนเขียวจุ่มดอกฟ้าหนุ่มขาวพรอน ดอกจังก้อนแดงแสดดอกพักตบแพร่ตามริมแคมดอกพักหินแซมพักบุงเหนียวเหนียงกุงหากมีลายแห่นผ้าผ้ า, ายผ้าขาดป่าออกฟ้าฟาดเอาห่างตีฟอง <c oughs> ดอกบัวตองบ้านเรื่องเรือหอมตกเมือ่อเมื่อนานบัวเงินบ้านข้าสว่างปู่เพิงจังบินตองมีกินหอมบ้าขาดอบถลลบสอดไปไก่แสงส่องใสพองแผว เป็นดังวันนแก้วใสาสว่างดังส่นวนกว้างนันตาวิญญาณ น, นั้นแล่แเอวังจะตุรัสสะโปคระนิยังวันเ น, นตวาตินั้นอาจุตาราศีภูเทาก็บอกลาโอนยังพามลาโอนยังโบข้ารณีงามพอแปงอันมีสีแจงสะเมื่อกักกกกกกอนอันมีชื่อปันไว้แล้วว่าสลราแก้วมุดจาริน เจ้ายกมือทักสินขึ้นวาดแสงเก่าสวาดไข่ปงกัวปูพ่อมลงบ่งหูตีแล้วเก่าวจี้เป็นกฐาว่าขคมาว่าตาท้าปตุมมะเสตโสกันทีเยจาราทาเกสันจัดโนมุจจาดินโตนามะโสสารดังนี้ว่าดูราตันพามยังมีสระงามบ่อไรอยู่กลางป่าไม้ดงรี น้ำใสดีดังแก้วมีฟังแต่แลอวเพียงงามฝูงรุกคาจามแบดล้อมย้ายหยัดอมจื้อมุดเจลินเราเข้าไปก็บ่อนินร้อนแดดเหตุว่ามีไม้แดดงบนเป็นบนทนรอดจุกรรมแต่ฟังน้ำมุดเจลินปูนดีไขรกินไข่าอาบคือสราบมโนหนนำในสราใสล่ำเลิศบอมีฟ้าเกิดฟูฟอง ดังเราถ้าลองได้ปันขาไผยได้กินได้อาบย่อมใจจืนแม่นมีตุ้งปั้นมืนก็ไฮนี่บ่มีผงทุลีใส่สะอาดเหมือนคนเรากวาดตั้งวันไผยได้หั่นก็ไขยัวไข้เฮอเท่าปูไปรอดจากได้ยังจอดจมดูแลนะตันเฮย สหัมปะเก่พระเมดูราตันพรามส่วนวาสราอันงามนั่นเรามีน้ำเพียงเขาเรายืนย่อมเป็นพื้นเป็นแผ่นดังเป็นแต่นโจดเจือบุ้งเป็นเคือและบุงจ้างปวนดีอวดอ้างยอดดกนาใสแกงป้าอย่าลืมใส่สมเต็มบาสุกบล้มก่อนยังล้ำมากและพรามเย บุพการาปัาปตุมมดีดูการะตันธามอันวาสาระนั่นงามบ่ไรมีดอกไม้จดเชื้อหลายพันเหลือมีมากลางพงก็หากเป็นจีพงก็ขี่บานดีบ่โน้ย พ่องก่อมวยม้อยจักหล่นหล่อนพ่องก่อเป็นด้วยอ่อนดิบเขียวพ่องมีควันเหนียวจำเริญแก่พ่องพงแพจักกี่บ้านพ่องก่อหวานจินจ้อยพ่องเขียวสะน้อยกินลำดอกบัวคำเรื้อรือมีตกเมือ่อถมทองดอกบัวตองผิวพ่องแพวดอกบัวแก้วสีใส ย, ย้ายกันไปเรียงรา บ, บัวเก้ากาบย่อมบานมืน ดอกบัวเงินใส่สร่างปูและเพิงจ่างเอาไก่ซอนดอกบัวออนงามเส้าผูดอกป้านอยู่แซมสนลินล่าอุบ้นผิวจุ่มดอกแก่นุ่มแกมกันพักบุงวันสนสอดมีตั้งพักปอดพักหิน ย่อมเป็นของกินดีกับเขาพักตับเต่ามีถมทองพักละนองและพักขาบมีสองทราบน้ำสะสีพักกะปีและจีจอ ดอกสลลมีเป็นปวงในสระหลวงบ่ไรฟุ่งดอกไม่มีนานาอันมีกันทารดเร้าหอมตัวเต้าแดนไก่อบทะลบไปตัวต้องแดนเขตห้องปาตินั้นและนะพรมเฮย อมาราอันว่าแม่พึ่งและแมงปูก็บินมาสู่ซาสนมาในที่สะหนตั้งแปดบินมาแวดเป็นจุมย่อมมาตุ่มดวงดอกส่อใสสอกเอาไก่ซอนพ่องซ้อกินนอนพ่องกินยางพ่องก่อจ่างซ้อกินหน่วยตัวปูจ้อยตัวเมียวพ่องกินในเสียละเปลือกไว้พ่องซ้อใสอยู่ไปเฟื่ย พ้องก็บินเสย์สวาๆแม่เพิงล่าหุมแหนตั้งต่อและแตนบีเบื้อแม่นกเหือกเสือสุดแล้วสับกินตั้งเพิงดินเพิงต้นตั้งเพิงโกนเพืงรังตั้งแบ่งวันและแบ่งเบื้อเหมือนหอหนุงเสื้อเงี้ยหุยหายปีกมันไลยตัวมันการพ้องก็ดดำดังม่านป่านกาพ้องก็มีแข้งขาหากดำมัว ผ่องมีตัวมนแล่ผ่องเหลืองแอแต้บินอยู่เวียนวนเยี่ยวพัดหนเข้าออกเขตเสียได้ดวงดอกเลยบ่อจางปิกปอกขึ้นนีซำปิกมาจมกีดอกไม้ดุดละรังไว้เสียว่างเป่าบ่ามีตัวแม่เฝ้าห่วงแหนแม่ต่อแตนและแม่พึ่งเขาบ่อกระเตืองกึศ ถึงรังเขารักแต่บุปผังดวงดอกวันค่ำจริงปีกปอกเมื่อหารังฝูงคนเราอย่งใครใดบ่ทาหาไม่ไต่แลไฟหม่มบ่ทาหาอาคมมนกังกาก็ะก้อยอยู่ท่าบิดเอาต า, าตามใจเราจู่พูเราบ่ใจอูจุลายแบนจักเอากินก็ง่ายและพรำเฮ้ ดูราตันพรามตั้งวันดังอันวาดงรามใหญ่ยยกว้างมีตนไม่อยู่ซางหลวงลายตั้งตนยายไปจุวกำแต่ฟังน้ำมุดเจลิน <c oughs> ไม่หมากปินมีหมากไ ม, ม่มก่อมเกาะหากมีหลายไมย่พักจิกยายเป็นถอยไมย่หมุกน้อยหากถมทองไม่กลับทองและปาแป่ง ไม่ลมแรงย่อมฟัากลมตั้งไม่ย่อมหินและย่อมเตศแก่นวิเศษกินดูหอมไม่ข้าย่อมและไม่ข้ามืดเป็นป่าดงเย็นดูสะเดนมีหลายหลากตั้งต้นหากจดจำ ดู le, ดอกคำแล e ะดูแดไม่แดงเอแฮและแดงกิดงูตึงย่ำถ้าดูเดือนเจ็ดปูน ò, พองพ่องก่อมาเป็นจอเป็นจีเบ่งบานดีดอกซอยอย่าหยาบย้อยเป็นพวงมีตีไก่สาระหลวงตีนั่นและนะพรมเฮย รูกขาเจ้าปุ้มผาดีดูการาตันพลามไม่ดองรมอัมใหญ่น้อยออกดอกซอยลายเหลือแม่พึ่งจดเจือจชมชื่นสลุกต้องตื่นใจเขามีตั้งดอกเปาแลดอกแงตั้งดอกมาแห่แลดอกซักดอกไม่หักบานตามห้องเขต มีตังสาลิเตศและจำปามีตังเกศนาและส่อนหอมมะลิลาจ่อเป็นพวงมะลิหลวงหอมหื้นดอกบานจืนและเก็ศทวารมีตังเกียงพาและเกียงเตศมีลายประเภทตังเกียงพายตังหอมไปและอันและอย่างกาลาพฤกจังบานงามออกดอกจามลำกันกิ่งดอกดกหนิงเหลือลาย สาราปียายยาถอยฝูงสาวน้อยจังจิ้งกัน <c oughs> ปู่พิ่งวันอยู่อดเอ้าตังเกดเก้าและดอกแกว้วผวกบาวแถวจังหุ่มหามีตังสะบันงาและดอกซอน <c oughs> หอมรสร้อนกินเกากวรบุญหนักหนวนและเนียมจังน า, าวเขาจังห้าวเก็บมาหอมกันบาวสาวหันจังเก็บมาซอม เขาจากย้อมใส่ลายสีเราก็ปูนดีไข่ใดดวงดอกไม้เมือนข้าแสงดังเตว่าดาแต่งตกแปงมีสีเขียวแดงเลือมแลพ่องก็เหลืองแก่พ่องก็เหลืองอ่อนพ่องสีแก่ซอนมุกหมุนมีตั้งสีฝุ่นสีสุกปูนดีสนุกด้วยดวงดอกมีตุกขอกหากดูเปล่า ดอกเข็มขาวมีเป็นบอลดอกเข็มอ่อนย่ันเฟือแฟงดอกเข็มแดงบ้านปุกใหญ่งามแต่ใจสามารถใต้เฮืนบ้านกิ่งก้อมปูนไข่เด็ดมาซ้อมตัดทรงกะระวงงามสะสูยไข่หือเท่าปูแปรหั่นแล้วเอาดอกปงปันมาตัดทารงยะสลิตเออง์อื้อ เอาหันเรากอจังเงพคอต้วตามสาวน้อยหันพรมเล็บดอกไม้เข า, ขาย่อมใครใดเจยจมก็จักเปิดฐานนนมไม่ตั้งกู้ไหวเห่าปูยุกถือจ้าแลพรมเฮื <c oughs> ผู้ผาจะวันนานอันว่าดอกไม้ในดงรามหากมีวันนางามจืนจ้อยมีบ่อน้อยนักนาเราจะพันนานไปใจใจเหมือนดอกไม่เกิดเมืองสวรรค์ มีหลายพันวันดาจิมีกัรท่าหอมโบขาดหึงนานแม่นทารงไปกาลา น, านจะรำนับอ่านว่าพรำได้เดือนปายดอกไม้ตั้งหลายนั้นยังโบเหี่ยวแหงแม่นจากนานเป็นแหล่งก่อนยังหอมอยู่แลนะนาพรำเฮยอเทกาโอตะกันติสะบิงดูการาตันพรำ <c oughs> ส่วนวาสถานที่นั่นงามลายหลากมีของดีมากนักนาปลูกไว้ริมธารแม่น้ำใหญ่ปูนดีใจไฟแป้งปันย้ายเรียงกันยอย่าทอยกันหมู่เด็กน้อยมาหันบ่อรอนลาเหตุว่าหมู่รุกขาปูงนั่นออกลูกฟันเฟือแฝงคึอมักแต่งและมักเตา หน่วยมากเต้าอคือแต่งลายมีลำลายคือแต่งซั่งหมากน้อยกันบังพ่องก็ว่าหมากน้อยงูตั้งถั่วปูถั่วแปบบถั่วหมากแอบแระถั่วกลางถั่วอันจากนานได้กินตั้งทั่วดินมีเป็นเตือถั่วเน่านันเหลือคนหุ่มฟุงคนจุ่มบ่กินย่อมมีหมากถั่วแปหากเป็นของกินเด็กตั้งถั่วเจ๊กอันมาแต่ไต เขาหากใส่จิไว้ว่าทั่วถ้านิมฟักมันจิมริมเป็นฟันเฟือทั่วใส่เสื้อฟักมันยาวทั่วงูป่าวยาวอกอยฟักย่อนหอยเป็นปวงฟักมันดวงเต้ากวยข้าว เพื่อมันเล่าสอดสนสารหลายผ้ามาันนับบ่อใดมีบ่ไรปุ่นดีสักเสิญปองจักไข่เอาเงินไปไว้ก็จักได้ซักปันแถบตังก่ามักแป บ, บหอมกันก็จักได้สักปันฮารอยสือจากน้อยก็ได้สักตัวกันเอาซสืองวัวได้หกเจ็ดกูไข่ฮือปูไปหันแต่แลพรามหมย ตีนกันนารูมาตานิดุการตันพรามเราจะเก่าเฮมันคักคักอันว่าหมักฟักมีหาภกาด <c oughs> จามพวกหนึ่งใหญ่ผ้ามานเต้าไห้ตานอันตั้นหากปั่นไว้แล้วตั้งหมากน้ำแก้วว่าพองว่าฟักทองไทยจามเจือลองกินใหวันเจิดจอย เหมือน้ำอ้อยใส่กับกันกันคนหันดูตั้งเลือกมากฝักเผือกหน่วยมันเข่าพรมากฝักพร น, น่วยเต้ามอเรามีมากเต้าดูตั้งกินจำเปกหนึ่งอยู่เนือดินหน่วยมันมนใหญ่โอนล้นเต้าลำตาล โรสมันหวานกินน่าอร่อยลำซะหน่อยตีเดียวจำพวกหนึ่งมันเขียวเต้าเปียปาดคนผู้ชาติลาดเอามาขายขนตั้งลายกอลุ้มกันซื่อเขากดก้าขายหือเป็นอัดเราก็จักจัดนั บ, บวัวแปร มีเตียงแต่บอ่อสังกาแม่นจักซื่ออาจามามาไห้ก่อจกักใดตั้งเครื่องอ่านก็มีไหนสถานป่าไม่ไหนที่ไกลฟังนำมุดเจรินนั้นและนะพระเฮย ปูนดาลิสุกันดากาสุนาวัฒนาประเมดูการาตันพรามภากาหนึ่งส ป, ปาของกินลายเงียงมีต้นว่าเขืองต้มและหุงแกงเหมือนคนเราแปลงปุกไว้มีบัไร้ายพอมจุอันอัน เราบอกเคยได้หันได้รู้เหมือนดังฝูอุจพรา์เหมือนแป้งกำงามลมเล่าจุหือเทาปูหลงป่ามีตังกุกกาคาคิงเขามินมีพร้อมสิ้นหากถมไป ตั้งจะใครแลกอมก็เป็นของหม้อใส่ไงแรงหอมบัวแดงยายสะพังมีพ้อมตั้งหอมปอมหอมเตียมตั้งสะเหลี่ยมแลเนียมไข่เป็นบอลไว้หากดูงามมีตั้งผักจีแล่ผักกาดผักเปิกไต้อาจจดเจือกผักเปิกเหนือจั่งกายเป็นผักหูตั้งผักกูดและผักนามตั้งผักปังงามผักหากผักปูนกหากมีลาย พักปูลิงย้ายกันอยู่พักเพชดอยู่เฟื้อแฝงเครื่องหุงแกงมีหันพร้อมทำพริกต้นตำและต้นสูงพิกเครื่อมุงอยู่ไปไ ม, ม่มีตังพริกไตพริกเนื้อ ตั้งมาเขือและมาแข้งแม่นยำแร่งก่อนยังงามดีพ้องเป็นจีพ้องเป็นดอกพ้องเป็นหน่วยออกเป็นปวงพ้องก็หน่วยหลวงใหญ่แก่มีมาแต่เชื้อสายแนว ย้ายเป็นแถวเป็นหมู่งามเส้าผู้ดูเป้าตั้งมาเขือขาวและมาเขือแลนมาเขื่อแจมาเขือหำแปะและหำไก่หน่วยบัยใหญ่เต้ากินลำมาเขือนำดำแลกกังกบมากบทารบมีปาลา มาเขือหัมม่าหน่วยมันยาวใหญ่มากำเวียนแต่ได้ส่องอมคืบมีเป็นลืบเป็นจันย้ายหยาดคันจดเจือตั้งแต่ที่สะเนือจะรถไตแม่นว่าขายได้กาลายจักซื้อขวายก็ได้หลกูกันว่าเท่าปูไปรอดกจักได้ต่อตาหันแลยนะ รามเปดูราตันพลามไม่ดงในดงรามตีดนั่นเหล่ายังมีพักเข่าพักแขบตั้งมักแป บ, บและมักหอยน้อยจ้ามักน้อยหิมาและมักน้อยคองยอดมันซ่องสอดสนสานกันเพือมันหวั่นหัดหัวหัวตั้งมักบัวบแพร่มักน้ำมีมักลำมีสี่พักการจำพวกหนึ่งใหญ่พ้ามานเต้าแอ่งแจ้เขา จำปวกหนึง่งใหญ่เต้าหายเราเจ้าแขกจำปวกหนึ่งใส่สะแหลกทักจ้าเขาเรียกว่ากันโทษตะกาเจ้าไรลูกบ่อน้อยใหญ่ปอผ้ามานจำปวกหนึ่งสูงสันทานเต้า ง, งวงจาง ดูสว่างหากเยาวรีเด็กสิบ ป, ปีแบกเอาหนีบ่อแป้ลูกดกแต่่วยมันข่าวพรจำพวกหนึ่งมากน้ำจอนลูกบ่อใหญ่ ย, ย้ายแฟงไฟแตบฝังน้ำมุนจะริน <c oughs> เราเอากินก็ดูง่ายแม่นเราเอามาจ่ายไข่กัรีคนเป็นดีก็รุมกันมาซื้อตามตันจักฮือก่าอันกวรลางที่หวนเอารถรัดลางตีฮือเป็นอัดลางคนจัดเป็นเบียแม่คนต่ำเตียจาตาลงเงินในถุงบ่มีสักกรรมนับเป็นคนต่ำหยอบกว่าตันตั้งหลายกันเอามาขายก่อจัก เป็นดีมีมั่งจักเป็นคนหัง่งคนกามก็มีนามว่าเจ้าจ้างสามสี่หา้าแม่นจกักไทยเอาค้าขายน้อยใหญ่หญิงใจก็จกักได้ลวงไหลป้อมหมูกกันว่าปูถึงตินั่นก็หากจากักหันจกักและนะ อปตาสูริญาวาจานาพระเมโนการาตันพรามอันวาปาตินนั่นก่อมาพากฏจุดเจือเฟื่อ ก, กันไปด้วยเครื่อเขาวันตั้งลายอันหยัดย้ายกันไปจุกรรมมีตั้งเครือเขานำและเครืออ่อนบ่าบ้านดอกซ้อนแฝงไฟเขื่อน่อยใหญ่หากทรับสูนเครื่อเข่าปูนและเข่าหมวกมีซองจำพวก โลกหักแต่งตื้อแปลงผงมียางแดงหลายหลากยางขาวหักเป็นยาไหนดงนาแฝงไฟมีคุ้มใหญ่นักแก่เพื่อเขาแขมันดันส้นสอดเพื่อวันยอดถึงบนมันทรับสนเดระดาษมีเพื่อเ ข, ขากาดจือผ้าเกียนนาราฝูงคนอดทนมาจริงใด ก้อยซอส่ต่มนาบุญย่อมีกุลเป็นอันมาการประโยชน์ก็หากมีลายเครือนังกายมีเป็นหมู่เครือจะขันอยู่ดงดำใส่แกงบอลลำใจจ้าแม่นบ่อใส่ป่ห้าก็หากดุวานและพรำเฮย พระเมดโดกราตัณพรามพักกาหนึ่งอันว่าวานตั้งหลายคือวานนังไกและวานนังล้อมย่อมมีออกอมจดเถี่ยววานมาเขือและวานเปล่า วานใหญ่ในเหล้ากอหลวงวานขุดกวงใบกีวานบิดจีรีร้าวเป็ดดังคนแปลงวานไก่แดงมีเป็นถอยวานไก่น้อยหากปีหลายวานมหาดินย้ายกันอยู่วานหอมมีสะพูเป็นจุมวานนางราคนมักหุ่มต่อมากวานหากปินหากควันหัวลงวานไฟคนพระสงฆ์ใส่ตุ้มวานน้ำจุ่มเย็นเหือน วานไก่เถื่อนมีเต็มป่าวานนั่งหยาย่อมได้ร่างผากเสียกันวานพระจันทร์งามเจียงจินวานพระอาทิตย์ก่อเรือเรืองแดงเปิ้นฟันแตงบอถูกวานแม่ลูกย่อมมีสองหัววานฟักบัวงามเจ้จาวานพรผมสามนาไว้กังกาเฮ่ให้หตัวกันได้สองสามหัวยังวานไหลพระกานดีแล้วย่อมกาดแก้วจากไผย บอกมีอันใดหนาสักสิ่งดีลำยิ่งกว่าวานตั้งหลายกันคงควายหาใดไหนโลกใจก็บ ก, วกวัวไฟก็มีในสถานตีนั่นต้านไครรู้สั้นจุงเก็บเอานั่นตามใจเตะพรมเฮ รำเบโดโกราตันาพามตั้งว่านั่งอันว่าปาตีนั่นจังเก่าวสั้นกฎหมายรุกคาอันว่าไม่ตั้งลายก็มีปิหลายแหล่ตั้งตนแพนันมาหากเรานำมาเป็นยาก็ได้แม่นว่าตนถ้ารงไครเป็นพัายาอันเกิดแต่ธาตุสีภาการแพ่ไปลายสะานต่างๆอย่างหนึ่งเกิดมาแต่เตโจ เกิดแต่วายโอโปปตวีเกิดแต่ดีแล ะ, สะเสลดอันเป็นด้วยเหตุเลือดและลมตั้งหลายอันมีในกายเป็นโรคก า, มาโมหกปุตตกิจมุตตกาศเป็นโรคกรกาส่าตร์และสันนิบาทแกมขงัง มาเริงค้นตาฟางและสันแปงอิดเหี่ยวแห้งบ่มีแรงแข็งขาแข็งของอ๋อรีบรีวเป็นตาคิ้วและม่วงปวดสองข้างลวดและสันหลังแอว ปวจซ้ำแผ่วไปในต้องเจ็บแสบคองไปในท่วงเป็นริดสีดวงแรงงานงวนเจ็บปวดบวนผอมเรืองคนตั้งเมืองเรียกว่าโรคมาลายหากมีหลายทานโรคกาเราจะพันนานาก็เป็นอันยาวโหยต่างอันนั้นโสดยาวไก่ ตันจากไปเยาว่าจากนั้นรอต่างอันนั้นดันสอดไพรนาฝุงรุกขามีมวลมากตันก่อหากจากได้หั่นเต็มดงตันมีบ่ไรตันจุงเอาไว้ใจตามซดสดี พี่ว่าตานมีวิธียาแตกหาแต่แหงตา ก, ก่อจักหาบ่อนยาหากไม่อยู่ตินั่นจู่อันอันตั้งไม่มกคันมีสองจำพวกสารดีรวกบอก่อทาได้หา มันย่อมใบดาใบหอยสารพักละใบหน่อยใบบางอันสารปางป่าลางตีมีเป็นหมู่ ล, ล่างตี้อยู่ตืบตันสารเงินอยู่กับกันสารคำปันใบหอบสารดินพักกอไปด้วยรถอันขม จ้าหนังย่อมมีเป็นหมู่ตั้งต้นอยู่หลวงหลายจ้ามัดย่อมอยู่ย้ายเป็นถอยจ้ามั่งเป็นรวยน้อยเลื่อมมั่นแข่งจ้ารวกแฝงอยู่คุ้มใหญ่จ้าลิ้วใจสามาน สูงสาทานใบมันสมมากลอดล่นร่มอุกนาใบมันจะเป็นกายสะหน่อยจ้าเกลือใบหน่อยสีมันดำจ้าลานคำกล่มต้นใหญ่อยู่ที่ริมไกลฝั่งบุจลิน มีตั้งปิ่นคำและปิ่นแก้วแสนสีแพ้วและอ้อยจ้างแสนพังงังและแสนผาวังตั้งมะกังและมะเขามีเตือกเต้าหากถมทองมันมีริมตองและริมเหล่ามากตับเต้ามีตั้งสอง ตอนกาสะลองแ ล, ล่ลมแรงไม่เก็ดเปือกแหงแและบัวลาไม่เอื้องกาแล่ผ้าหยาย่อไม่ปอบิดและป่อไก่ไม่ป่อใหญ่และปะ่อขาวลำมันยาวและป่อแรกตั้งไม่แหกแและเป็นจะไก่นิ้วมือผ้านาไรคันได้บอกตั้งมาก่อเผือกและมากลืมดำ มาข่าหัวคำแลมากอกฟันซ่อมพี่เพกคำปมแล่พระกาตั้งก่อนตาและไม่คำออกตั้งไม่กอกไม่จิ้มและฮัดแหนตั้งไม่มาแฟนและไม่ฟังตั้งจ้อยนางและรังยิน เกลือเขาเอ็นและเขาหมวกตั้งเขารวกแก่ตาไข่ตั้งสะลีกันใจใส่จ้างตั้งนมนางร่างและสะแกะแผ่งมีเป็นแห่งเป็นจุม ตังค้อนกอมอิรุมกุ่มไตน้ำบกใหญ่บ่อไรามากดีหลีรอจักเอานี่ก็บ่เสียงกาฝากเบียงกาฝากพักลากันจักกะไว้เป็นยากอดายลายปากตั้งกาฝากขี้เล็กและจันตั้งสองป่าเจ้าหมองและกงเข่าเขียวขางตนเดียวและมารีซ่อนมีรถร้อนกินจานเชือหักพิเครือและมาแควง ตั้งรางแดงและมาคมอันมีทองถมเต็มป่าเชือมันลาไปเต็มดินตั้งป่าหินและดินคงตั้งหวกบงและไม่เฮียบ่อต่ำเตียลำสูงนักแกตั้งสาแลและสาตน มีหมากล้นหากเหลือตาปิ้งสมุดใบนาแหล่ใหญ่มีหมากใจพอดีนาดคำมีดูมากตึงเครือคำหากหลืองามเขามินเครือตามจากใจมีบ่อไรตัวดงนาปิดปิ่วแดงหาบ่อนหยากปิดเปลี่วขาวหากถมไปปิดเปล่วดำในก็มีหมากไม่รกฝ้าและไม่ป่องหากมีลายพ่องตั้งไม่ก่อนทองและก่อนมือ มืเ อ, อื่อเตอ้อเป็นเหล่าไม่ตับเต่าเน่าในไม่มากไฟตั้งปูตั้งปูปูแและปูดำปูปูจ้างนำอวดอ่างดูสลาลั่งบ่เขียมตั้งดิกเดียมและดังดีดไม่นกวีดหากมีลาย <c oughs> จีปุกย้ายเป็นบอนออกดอกซ่อนลายลามมีตั้งนำไก่ให้มีเบอบ่อไรหากเป็นกอตั้งตุงสอและตรงเตดแก่นพิเศษแต่ปุ่นเบ่งภากุศว่าเต็งจ้างเผือกปุ่นเาวาเยือกนังหัวปอง มาส่ายองขนลุกทุกเส้นบอใจลักเล่นเจือแก่นแต้นักหนาเราจากพันนาหน้าก่อนยังบ่แพ้ยังหมักแต้หมูจุ้มขางคือว่าขางขาวขางแดงคนย่อมส้าแหวงหามาก คางข้างหากเครืออ้อนคางป่าแพะอยู่ซ้อนป่าแห่คางแข่งแคะแพ่เต็มปูคางหัวหมูมันย่อมมีมากคางน้ำเข้าหากเป็นกาย ข่างรังเหล็กย้ายกันอยู่นะเน้นข้างที่แค็นเก่าวฮือเน้นฟังแก่นแต่ดูบ้างข่างเล่าห่างอยู่ปานใหญ่มีแฟงไฟตัวด้งเขียวข่างต้นเดียวเหมือนโบมีโกลักลองลักย่องยือพอแต่หมูมันลาย โจทเยียอยายเป็นทอยดูบอดน้อยหากมีทองท่มขังนางจมเป็นบอนปางเมื่อก่อนนางจมต่างจู่คนตั้งหลายรู้จริงกาวขังนางม <c oughs> จามจำผัวหนึ่งกอมาสมคำตันว่าไว้ว่านางไปป่าไม้กับผัวไปไขหัวใส่ลูกไม่นางอดบอดได้จริงทำผัว แล้วไขรหัวแยมเห็ดหันลุกไม่มีเป็ดเหมือนลิงดังจับใจจริงออกปากเหตุหันลุกไม่หลากนักนาสปะวัวยามีผั่งพอมย้ายเวดอมมุดจลรินสารตีนั่นแหละนะพรมเฮย อาเทตทัดซาโปคารานิยามัจจักสานิเวจารันプラเมโดการาตันพามสัตตะนานาอันวาสั ต, ตั้งหลายมวลมากลำอันเกิดมีในน้ำมากกว่าสังขยา <c oughs> เราจากพันนานาไปซ้ำมีตั้งเต่าน้ำและป่าฝาจังน้ำยกวงงาสะเผือกมีตั้งงูเหือกจากเคบังก่อนปูปาจรมีมากมีตำหนัก้ํำและนากีเขายินดีสนุกมวลเล่นพ่องกอด้าดีเต้นตีห่างพ่องกอคข้างเสียงขืดคือกองพ่องก่อโหร้องตามเป็ภาษา สัดนานามีมากลำฟูงคนน้ำย่อมผมแดงไก่น้ำบ้างเสียงแข่งขันรวนปูนสนักฟูมวนพราะเขาบ่อมองเงาสักจริงพร้อมมาทิ่งดวงลาย เป้นผ้าผายผ้ภาพังกบเขียดกัง่งออกกันอึง่งออกนั้นอ่างโอดมีสิบโกดค้าคุณบ้ออาจปุน่นนับใดมีบ่อไรในน้ำมีมากล่ำดวงลายแลลนผ้าภายผ้ภาขาดออกปดฝาดบวนตีฟอง เหมือนจมฟองน้ำใหม่เลยเล่นไล่ตีกันเสียงเดืองนั้นผุผ่าบวนยยบหยาเต็มบังฝูงปะากังซัมมาเลยไล่ป่าข้าวใส่เสียงคมมาดังตุ่มต่ำต้มเ ต, ต, ต้าไล่ทับแท้พ้องบุญแหนรลี่ยปปัดผากหมูหุยหายพ้องก่อตายพ่องข้างพ่องเจ็บปวดค้างหัวหังซ้ำป่าขัาปางมาเลยไล่งาบกาบใส่คบกิน ปาสิกวินซอหาพอปากะป่ากะออกล่อเกิดวกตั้งป่าปกเต็นมิ่งออกฝุงปากอกเล่นเป็นจุมมีมากป่าสะปาสะเปียน ปลาตะเพียนขาวและตะเพียนทองตั้งป่าตองและมากแปรปลาหัวมันแหลบคือว่าปะาเส้วป่าไปผิวกี้แล่ป่าปีกเต้นเว้นฟีกไปตามกันสะเด็ดพันกินแต่มดอันป่ากุดแควนหุ่มหากปลาเอาหากมีลาย ตั้งป่ากายจัางหลอนกินเต้นวิดวินได้สามศอกออกฟ้าเหตุกั้ป่าฟุงจุ่มใหญ่เฮือสมไฟด้วยใจมักบ่อได้กินนักเต่าหมูตั้งลายเหตุกั้ตายเปื่อขี้ยาน <c oughs> ป่าขี้ข้านบ่อจังซอหากินเล่มไข้หินและกินตามจำใช้หาดป่าลืมจัดเหมือนกันป่ามูดวันแต่ก่อนเงืม่ม อยู่แฝงเอื้อมตีรูพาหันคนพาจังหกแหลนลับลี่แกนแต่นักนาย่องและตาลักยือพอดังปากกอปากวรนจังออกบวนแกมสะเอิญ เหาจอเดินไปทุกเตือกนำมันก็ซ้ำระแวงแต่หน้าใ จ, ใจใจป่าบึกไขมันดูหลายตั้งป่าสะไวแลสะโมตั้งเทโพสะโดและป่าลาตั้งป่าจาดเพื่อนป่าปุง ป่าดุกปูงย่อมมีมากป่ามะโรงหากตัวกมตั้งป่าพมงามชะเลมป่าห่างแหมและป่าแก่งป่ากองแก่งและป่าแกดจ่าง ว, ายวา้ยแหว่ต่ำฟุ้ยไข่ ปาเพียใส่จังเลมคอนป้าหัวนอนมีเป็นหมู่ออกสาฟผู้พร้อมเพียงกันป้าง่วงพันหารู้บอกจังซะอซอกหาตีสั ง, งัดป้าเป่ากัดกินหัางหมูลับรี่อยู่ยองแลตาอานปุ่นมาพดผาดใส่ซำมาเลยไหลกับกัดหางป้าขา้าปางซ้ำแคว้นไ ร, ร่ขังขวาซ้ายปอวะวากป้าสะปากปาอยังแคว้น เกตมันแข็งคบบ่อเข้าป่า really ตั้งหลายจังป่าเป่าตัวจังไรหันเปิ um, ้ลในจังไลเหลือยตัว hmm. ป่าตากวยก็มีติหันตานพรามนั่นก็หากจักหันและพรามเฮยพรามเบโดกาลาตันพรามป่าตั้งลายอันมีในน้ำเราจักกล่าวซ้ำพันธนาา ําแดงจ่าแถมเหล่าบ่อลืมกำเก่าขึ้นหลังท่านจุงฟังฮือแจ้งทีเราจักทีต่าเพิ่งกวรมีตั้งป่าปวนป่าแค่ตัวใหญ่แต่เต่าเซาเฮือนป่ากุกงเลื่อนย่อมมีมากป่าดอกท้องหักมีหลายตั้งป่าน้ำมีเป็นหมูซ่อนกันอยู่แกมป่าหาวป่าดาบล้าเงาวจัดลาตั้งป่าลาดและป่าเข็ม ตังปูเก็มป่าทุไทยกอมีในตีนั่นแหละนะพรมเฮย <c oughs> อเททาสิหาเปียกคานิดูการตันพาำส่วนว่าในดงรามป่ากวางเป็นที่เสพสร้างแห่งฝูงสัตตาสัตตะนานาบีมากตัวกายาภาขนอง บ่มีตัวปองมายนทกกัมกำนดหรือผากรตัวท่ารงยดอันมากริดที่หากบ่มีไพยปานย่อมกะหานเคืองขาปิดบิงยาเจิงคบแกว่นเจิงจุบเข้าออกไว้ล้นหมอกป่นผมาน บ่มีป่นป่านจักเพียบจักเดินเกเลี่ยบตัวดงรามบ่เขียงคามสั่งสักสิ่งทารงฤทธิ์ีนหญิงแต้ดีลีคือวาราจะสีและเสือคงร้องเสียงทรงกันปูนกลัว ปอนังหัวยาวหยอกดักสะเพือกหากเย็น v อยในตั้งดอยเขียวขนุมร้องอาวุ้มอ้าววุ้มอยู่ในคุ้มส่งเสียงเนื้องปุงเสือเลืองมีปลาเลือแฝงไปเอืออยู่แกมกันเสือปลาหันลอเหลียบน้ำเสือแผวซ้ำจัางลอนกินจังางแยววินสะสอนลาพกอยู่ท่ามักกาหันสู น, นักขามาเป่าเปิบกัน ขบกราบยันนั้นควบวาบกันมันได้กาบแล้วก่อบ่อสวาวางเอาผ้าง้างกลางยังบอกจาง ส, สอสอกิ่นของคนเสือไล่หมุนเหมือนบักบัก <c oughs> เมื่อมันการะดูเดือนสี่กายเดือนห้ามากเรื่องมนต์มานจ้างส่งบันจ้างส่งเสียงร้องดังกองคือคือ สียังมันเดือนนันอืนตือเต็มดาวป่าจ้างแอวล่ายามคืนจังไปยืนพกลี่พอบุดหนึง่งหลอไปวันตกบุดหนึ่งฮกไปมันออกบุดหนึงสอสอ่งซ้ออกตั้งเรือบอมีลาบบุดหนึง่งเลียวกับห่างตัวเป็นดีไข้หวัวมันจังเล่นฮกวิ่งเต็นยืนนาล่องล่อหลอกเงี้ยซอกอกล้ อ, ลองอคอคอหวัวกลางกระดิกหางเงี้ยปงงปง ง, ง เหมือนแมงบงไต่เตียวตั้งเสียงมั่นค้างดังข้าคืนฝุงสัตว์ตื่นตกใจกลัวสัตว์ล้างตัวปอลมเตาดินด้าดาวนอนงายดาจักตายร้องอกอกลวดทำโจกลาภา สัตนานาจาราเดินล่ามีเต็มป่าตัวดงเขียวย่อมสอดเตี้ยกินเหยื่อมีตุกเมื่อจับลังเต๋อพร้อมกัดกินเกียงแกดมีตังแรดจ้างเสือสิงสรง ข้าติ่งดงลานเต้าย่อมมีเผ่าปงปันหลายเขาเหมือนควายงุ่มงูมีตั้งสอดสู้จุ่มเซนจังทวนหากินยาใจแก่นกาบอ ก, กวัวตายกัดหน่อวายใส้กินยอดบูบุญสอดเสาะกินน้ำ มันบ่อเข่งขามปักเสียบมันจอเดินเหลียบดงรีมีตั้งมีเจื้ออกด่างมันดูจ้างสะแ่งหาตามันก็เงนหาต้นไม้จงังซอไซกินพึ่งแลกวาง คืนไม่ยางลำจัดลาดแก่นชาลาดบ่มีเกินครบไม่เวินวะเป็นครบอยู่โอปบแล้วเจ้ากินแม่เพิ่งบินคบตอดก็บอรอดเจ้าแผวขิงเปื่นแเฝ้าเฟืองเหตุว่าเครื่องคนมันนาะโลมามันแก่ฮึกหนาแต่ขนจ้าบ่มื้อตาลับอยู่ซุ่มสู่จุกอยู่หันดูดกินอันว่าสามตีนมันพันต้นไม แก่นแต้ใสบอกกัวตกหกขายกซะลังซะลืดแก่นแต่ดีลีมีตั้งทรปีปุ่งควายเถื่อนแอลลาเลือนกัดกินแคมีเขาเลี่ยมแหลมแซวแสวง มันสอดแก่งไปมาจนกันกันมันหันคนก็เลยไหลมันสอดไขดงนาพี่ตั้งสุนขัขจุมมาป่าจะราเดินลาดงรีฝูงมาพีและจิ้งจอกว้ยล่นหมอกแต้นักนาฝ <c oughs> ูงจุมมาบีมากมาในหากมีลายกว่างทารายลุมกันไล่ตัวเอตตามไตห่ยหายเนื้อติงตายอิดหิวแหลนตั้งตัวไว้ แก่นควักกินตาหมูมหาจิ้งกันกินเนื้อแก่นจาาเชื้อจุมชะกันตามันหันเอาจนใดขึ้นต้นไม้ปางตีสุดหันมนุษย์มันจริงแล่นสันตัวแก่นรู้กลัวตายสันตั้งหลายมีบ่อไร่บ่อกลางใหญ่และนางนี ส่งเสียงดีร่ำร้องตัวปูทองดงสงัดฟุ้งจุมสัดจังเรียกจ un ู่ก <c ười> mm ่อฮันรู้เปท้าวนอยู่นักแก่กล้งตัวแม่ร้องว่ากุดกุดกุเหมือนวานดดรรำแสงย้ำรุงแจงตัวปูร้องว่าจูเฮยจู่เฮยฝุ่นดีเคยเสียงสัดรำร้องในเถือนทองดงนาตาวันดาตกตำจักไกคำลับดอย เสียงวอยวอยเรารวนปวนสนุกม่วนใจเราหมากนักและพรำเฮยพระมเมดูการาตัานพรำส่วนว่าสัตดงรามมวนหมู่เสพสร้างอยู่ในปากวางหิมมาพานตั้งกลางควานละมังต่ำแน่กังเต็มดงตั้งละองและหนึ่งเบน โฮกวิ่งเต้นสวายคนไปมามีตังเงี้ยงผาตัวใหญ่อยู่แฝงไฟที่ปูดอยสู้ก่อนปลอยและหมูเถือนแอวเล่นเรือนสะแว่งหาเที่ยวไปมาอยู่สะใส ยินลูกไม่อยู่ลุบลุครบเสียงดังตุตตบตุบตาบตาดังผุกภาพเต็มปูด้ยเสียงหมูปล่อยปอนแล่หมูหมูเข้ามาหลูจิ้งกันร้องเสียงนั้นตัวแผ่นตัวกันเล่นหกนีบุปป้าขีอยู่เศร้า ดังตัวเต้าแผ่นดินแดนฝูงเฮแลนและลิ่นมันสาบกินแล่นต้วหาตามันผันหาพวกเมาฝูงจุมเต่าลู่กินเฮถึงระดูเดินเช็ดไฟไม่ป่ามันสอดลาตีดงเย็นจนแลเห็นย่อมมีมากเห็นอมหาคุมโกนเห็นนามนและเห็นอีรักมันยอระนกหากินกบกินเขียดเห็นขี้เกียดและเห็นดอกเล่า ใจมันเมาสมเสียดมันจางเกียดคือตัวกันมันกลัวหังเยื่ปุยซุยเห็นนาหมวยและเห็นหอนมันจ้างหลอนกินไก่เห็นเชือกใหญ่คือเห็นเสือป่ามันจ้างหากินแก่นชาลาดเห็นหน้าอาดเห็นกูกตั่นดูถูกว่ากินมันเป็นมีตั้งเห็นขี้สุมกำกึดบ่อคุ้งเหมือนตันตั้งหลายมันยอมไปตายถูกแฮว ฝูงบางแบวบินเ้าแววจับกลังลำ้ำโอล่าดำกินมากไม้รุ่งขาวออกกินปีผุ้งปักขีและหมู่บอกได้ลูกไม่ปอกกินไลยจนแจไปเนือขา่าแล่นในลาเป่าเฟื่อยก้างไหลเลยไปถึงกิ่งเป่าเต้นวิวิ่งผ่าวแผลมีตั้งค่าแต่ค่าตายแล่นเล่ น, ลนไม้หากันยามพระจันทร์ใสซองลิงล้มยองมาเจอ ลมปัดเลยสว่าสว่าก็วิ่งลอดไปตัวลมมันก็มาสมดังกรรมบาไว้ก็มาได้แก่สัตว์อ้นสร้างกัดใบไม่ไหลอ้นแดงไฟไม่บุงปอมข้างลงไม่ใหญ่ท่าไรเอ็นไซกินยอดจามะดีสอดห่วงแหน กินนอรีแควนชาลาดเอ็นจะแค่จาดนาเหมือนคนเตียวสะสน ส, สาอสอฟูงสัตลาเนึ่งนั้นอยู่แกมกันมีบัไรในป่าให ญ, ญ่หิมมาปานก็มีในสถานติหันกันพรามไปนั่นก็หากจักหันและพรมเฮย รากาจาวิทาตาตาดูการาตันพามสกุณาจาตานีส่วนวนกตั้งไหลมวนมากมีจัดหาต่างๆนาหนามีตั้งนกเอียงกาและเอียงคำมีตัวดำซ้อนจ้างปากจ้างนกเอียงด่ังและนกกาแกน่นกอีแหลและแขกเต่าตั้งนกเป่าร้องปุกป๊ก ตั้งนกกกนกแก่งไปเป็นหมูเสียงพะผู้เหินบินรู้กันกิ น, น่วยไม่พ่องก่อส้กินบักห่างขันเสียงสว่างพ่องก่อจังร้องซเสียตัวเมียร้องหาผัวพ่องก่อหนัวกินบักไมหลางพ่องตัวปู้ให้หาตัวเมียร้องเสียงเสียว่าลูกกูไปในเฮียบมาแต่เราเสียงกึนเก้านันอดเอ้าในดงตัน พ่องก่อขันพ่องก่ห้องตีปีกองอยู่เนืองนั้นตัวหิ ม, มวันพะผูกผุพับอยู่กู่สาขาพ่องก่อบินไปมาเข้าออกพ่องก่ปอกขึ้นมากินผาลาหลกไม่มีบ่อไร้ไส้กินไก่ซอนพ่องกอนอนกินหน่วยตัวปูจ่วยตัวเมียพ่องกินในเสียแล้วละเปลือกนอกพ่องก่อฟอกกินยาง พ้องก่จ้างกินแกน่นพ้องก่ออ็นบินนีพ้องก่ตีปีตา้าพ้องก่อใจแก่นการ้องเสียงแข็งฝูงนก ก, ก๊กนกแกงย่อมมีมากร้องกุ๊กกุกกาการปุนฟังเสียงบินดังผ้าผืดในดงมืดดงมัว นกสองตัวมีกู่ผัวเมียอยู่กับกันย้มกลางวันบ่อสอดลาแหลงคําแล้วกว่าหากินป้ากันบินไปพาผู้ราร้องอยู่ในปูตัวแม่ว่ากินปูตัวปู่ว่าขี้ตูดร้องแล้วสูดหากินป้ากันบิน ส, สว่ามันอยู่ป่าดงดํานกยงกุงคํากลางปิกฟอน ย่อแยงย้อนแผ่ห่างตัวแม่วางร้องเสียงร่วนตัวผู้เสียงมวนวนใยสียังมันไหลอยู่ลงลงร่องเก้าวงเก้าวงอยู่ในดงฝุงนกหงบินอากาศนกเขียนอาดบินเวียนร้องโคริโคริเสียงสว่างนกห่างก่างแล่เซลแดง โนกาลิงแผงแรงยังกอดบินดันสอดนกนานกปาตาและขอดคองเป็ดปองมันก็ร้องพรองพรองอยู่ในดงนกขอลงเป็นมูกันกูร้องกอบินมาสุ ย, สย ปูงจุกจะลวยร้องรำยมเมื่อค่ำเรานอนนกเขาวนขันม่วนนกเขารวนร้องเรียกเอาขวันนกอีปุ๊กขันเสียงดังว่าปุ๊กปุ ก, ปกมันรำตุ๊กอยู่จองจอง <c oughs> นอกจุตนร้องขอวอนจับย่องก่อนร้องเรียกปูนดีวีเวกแต่ในใจมารำไรว่ากูตนกูตน ร้องจนจนอยู่หมองเงานุ่งแถวเว้าร้องเสียงอ่อยน้ำตาหย่อยอยู่เวว่าเวตาณายู่ร้องดำดึกสารำบ้าปอเฮยแม่เฮยบ่หายเฮยด้วยกำตุกโศกด้วยสัตว์ตาโล่ขากแสงระดูยามแหล่งปุ่งสัตว์วอนอยู่ซ่อนร้อนแรมป่าไม่นกรำไห้จู่ตัวสัตว์มายินสงัดนักแต่ นกมาแห่และหัวควานมันมายินผ่านอันหากินเยื่อบอ่มีเมื่อจังได้กินเต้าเมาวินหายอยู่สะไส้เพื่อดวงไม่อยู่ในกวงมันทรับหลวงใดก็บ่ถูกวันนี้สืบบันผูกเต้ากองได้นกตั้งหลายหากินก่อนยังบอ่อยากนกจากปากและยังดง <c oughs> ตั้งกาหลงการาบแพรกาป่ากาแก่มาสะไหลแต่พระาธาตเจดีตั้งวิหารกุฏิอันมุงดีด้วยเงื่มปีคุดอันนั่นแควนสุดหุมมา ก, กาบานั่นหากลาหากิน นกกาถิ่นบินเป็นหมู่นกกาตัวอยู่เป็นจุมนกการุมและนกเจ้าหุ่มอยู่เฝ้าล้อมข้านกกานาและกาเผือกไข่แล้วเหลือหากินเกยอยู่ดินและขุมเพืยนาคนมหาดอนดอกพุบพับออกบินไป นกจังไรสกอกกอกไว้ล่นหมอกนักนาหันเสือหมาลลอนจ่าเต่าลมลาดดื่มสติเหมือนเป็นปีตามือดร่องค้างอืดๆดื่มขิงใจกุ้มหญิงปันว่าตั้งกับบาและตาฟังวันโกดร้อยหันกดปูดนกซอนหอยสุด ร, รับกานงทะาในหากินเหยื่อเพื่อคำแล้วจริงเมื่อก่อน อารังนอนสะสู่ร่ำร้องร่ำร่ำร้รรรองอยู่ซอแ ส, สแขกเต้ากาแกขี้ข้านสะแวงอยู่บ้านกองแลมันร้องแค่แค่หากกำไยมันมักง่ายด้วยกำพราง ร้องอืดค้างเสียงน้อยใหญ่เป็ดไข่ไม่เตือขิงเต่าข้านิงกําเปื่อนนกปากเสียนเดือนหาสัต์อยู่ดินทานดั้ดมักสักเสียงซับแล้วเงียงหูฟัง มันจ่างยืนยัเก้าเดียบมาเตีวเหลียบตามหิมแค้มปากมันแหลมเหลือข้านาเรียกว่านกอุ้มบาตัวฟอยนกจำรอยจิกจอกตั้งนกออกนกอินนกขบมินและนกกระโตกนกโพนนกหังวิจตั้งนกวิตกางเขนจีเจี๊ยบ มันรอกเรียงมันร้องเรียกแต่ของกินที่จะกินมีลายลากตั้งกาจากกาใจกาน้ำไปเป็นหมูดงสะผู้สะกกินปลา นกอย่างนาย่อมมีมาการาบหากเสะกินปลาชอบเสาะหาตามสาราสะลีดกอินทีแลไก่น้ำนกบุญน้ำซ้ำมีลายเป็ดหี้ยายกันหลงเป็นกูเป็ดหันหงอยู่พอซอง เป็ดแก่ย่องกินกุ้งเนียวบินสอดเซียวจังผัดเวียนนกติ่นเตียนแข็งแหลบกาบบัวแหบกินปลาซอนหอยดากินกุ้งกูลาอย่างตินสูงนกตุงตุงปากวางจังอวดอ้างและบินเหิน นกของเงินแหล่โหเรานกควักเฝ้ากินปลานงเตนมาบินแวตรงแต่เวดอยู่จุกเงาอยู่พอะเขาน่าสมศมันปากหม้อหากสุดใจ หันแต่ไก่มาตักแควนร้องแล้วแหลนบินพายนกตั้งหลายในเถื่อนทองเกิดมาจากต้องแม่ยำหัวตีเกิดมามีสองขาบเอาไขขะานางำไปจริงจำเรื่อไวขึ้นใหญ่มีคนไข้เต็มตัว พ้องสีดำมัวบนแลพ่องขาวแต่ดูงามพ่องแดงจ้ำสิวแสดยามเมื่อแดดส่องตองตามเธือนทองดังคำซ้อนพ่องก็เป็นสีอ่อนระเรือดูบอเบืองามตา ผ่องดํากาผ่องก็มวนเป็นสีฝุ่นและสีสุกผ่องเป็นสีมุกแกมขาวบักบินเป่าสะสู่เอากันเป็นกูผัวเมียเพื่อบอกเสียจะเชื่ออยู่ไฟเอือกับกันในหิมมาวันป่าไม้มีที่จิมไกมุนจารินหันแหละนาะพรมเฮย พรามเบโดการาตัานพรามส่วนวาในดงรามป่ากว้างเป็นตีอังใจจงตีผ้าสงหมูเนื้อจุมจัดเชื่อเบือคาน้องปูงสัตว์ของเคยอยู่ป่าจะระเดินลาไปมา สัตนาตาต่างๆมีใจสว่างนินดีมีไม่เทีย่ยเกิดไขว่จูน้อยใหญ่ตัวสัตบอบคบกัดกับเก้นบอบบีบเล่นหิงสารักกันไปมาทุกทำเจ้า เพื่อเมตตาเจ้าพัญญาเวสันดรตั้งวานนี้จอนผ่านป่าเขาจักเดินลาไปถึงก็มีใจร่ำเพิงหมูเนื้ออยู่ไฟเอือกับกันในหิมมาวันป่ากวาง บ่มีใจใฝ่อ่างกำจัดก่อนยังทักทานัดเหมือนพ่อแม่เหตุตันเต้าแพ่ผานี้ย่อมมีใจยินดีใจใจสึงป่าไม้ดงดานด้วยบุญสมปานพระเวทตั้งใจเจตเป็นฤาษี ถือคอรีก็เกี่ยวลูกไม้คอดเก้าว้เป็นจา้าดาวนั่งเสือมาห่มหอยลายพักพ้อยเป็ดเหมือนสิงคอนเอาหาักไม้มาต่างมอนหนุนปาดเอาเฟยไม้มาหลาดรองนอน ต้านกอยอผ้านมก่อนใส่เก้าตกุกคำเจ้าไวเ้เปลวไฟมาใส่ใจว่าพระปจเจ้าเจ้าอยู่กับลูกเต่าและเมียตนต้านอยู่ที่สะหุนแห่งใดต้านจุงไปตีนั้นต้านจุงสอดดันไปปานแล้วจักหันดังใจเจตีพระเวทอยู่สำราในสถานตีหันแล้วพรำเผย ดูราตันพรามตั้งดงรำไป้าย่อมเป็นป่าดงเขียวห่นตั้งเดียวป่อเตี้ยวตยไต้ใดหือดันสื่อไปใจใจแล้วจักคันอาส ร, รมพระนักทันเวสันตระอยู่ริมสาละกว้างใหญ่กันเตียวไต้ไปรอถแล้ว ยังกูแก้วกูดีจักหันระสีหนุ่มเดาลูกเต้าเจ้าสันใจปำเป็งใจออกบวชถือผ้าหนวดเป็นจีกัมเตวีและลูกน้อยอยู่ป่าอ้อยดวยคำต่างมีสินจำบ่อขาดบ่อพระบาทยามได้ย้อนมีใจเจือแล้วยังเวียงแก้วเนระพันและนาพรหมเฮย อีตั้งวัดว่าพระมนาปันทงอีสีป่าปตักขีนางโอตะกาจิตโตปกาบิยะธาเวสันตโรอาโหพิกาเวดุราพิโกตั้งหลายส่วนว่าพรามณะปว้ายเุ่า ใดยินราศีเจ้าบอกต่างไปก็มีใจจมื่นย่อมื อ, อยืนอันจูนีแล้วจา ก, กําดีใจใจว่าขอตันไทยอยู่ตีคาะเออสตตามวลหมู่ใดเพิ่งอยู่เยาวไปกันจากไขเก่าแล้วก็อลาพระตนแกวราศีปทักสินดีเวียนไขก็ออกเตียวไต่ตามต่างลัดดงขวางสือนา <c oughs> บ่แวะกว่าไปได้เต้าหมายใจไปสู่ยังที่อยู่พระเวสสันตรราชภูมิศินสะอาดข้าวใสกังดงไพรเถื่อนทองแดนแต่ต้องหิมมาปานก็มีวันนั้นแหละนะ มาหาวันนาณาอันจักจ่ายัง้งมาหาผลขี่อู่ถึงเก็บไม้ในตัวเหมือนเหมือนฟังก็อนยัง้งว่าม่วนตุกเมือ่อบ่อในเบือ่อนะายามใดเตอนัไขกาวแกเหมือนนาะกแกแล้วนาะจุมศรัทธาลังว่าจังจริงขอหนินที่ตัง เนติตังขีญาสังวันน า, น า, นาวิเศจห้องเหตุมหาปนอันผาดับผาดาไปด้วยกาถาแปดสิบกาถากอบังกมสมร็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล